ที่จะคุยต่อไปนี้มันเป็นธรรมะปัจจุบันนะพ้นทุกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอว่าพ้นทุกพรุ่งนี้มาลืนนี้เหมือนวันก่อนที่หลวงพ่อได้พูดถึงเนาะว่าต้องปัจจุบันต้องเดี๋ยวนี้แต่ทีนี้เราไม่รู้ตรงนี้เราก็นึกว่า อ, อปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถพ้นทุกในปัจจุบันได้อ่ามาปูกันก่อนแล้วก็ใครไปห้องน้าก็ไปนะเสียโอกาสนะคนไหนไม่ได้ฟังอ่ะ เอออาอาจารย์สมใจบอกว่าผู้ที่มาใหม่เนาะที่มาปฏิบัติทรมาเข้าเออมาปฏิบัติเนี้ยก็เชิญได้เลยจริงๆธรรมะเนี่ยบางทีนะมันจะเข้าใจได้ต้องต้องมีการสนทนาเหมือนกันต้องมีการสนทนามีการยกตัวอย่างมีการขยายความเพราะว่าลำพังเพียงเราอ่านอย่างเดียวเราฟังอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่พอ อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่นำสวดใช่ไหมที่เราสวดอนัตตลกคณะสตรเนี่ยเขาเรียกว่าสวดตามตามหนังสือสวดมนต์บางคนก็สวดแล้วก็อาจจะเข้าใจระดับนึ่งและหลังจากนั้นหลวงพ่ออาจารย์ไพศาลก็สามารถที่จะขยายความบางสว่วนเราก็เข้าใจอีกระดับนึ่งแต่มาขั้นเนี้ยขั้นเนี้ยที่กําลังจะคุยเนี่ยหมายความว่าเป็นการชี้ในปัจจุบันชี้ในปัจจุบันหมายความว่าชี้ให้รู้สึกตัวถึงแม้ว่านะ จากนี้หนะลวงพ่ออาจจะไม่ใช้คําว่าสติหรือว่าความรู้สึกตัวแต่กําลังบอกเรื่องความรู้สึกตัวอยู่แต่จะไม่ใช้คําพูดว่าตอนนี้กําลังให้รู้สึกตัวหลวงพ่ออาจจะใช้ภาษาอื่นแต่ว่าความหมายของมันก็คือรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนีะ้ตรงนี้เขาเรียกว่าชี้ตรงชี้ตรงให้ตรงเป้าตรงประเด็น เพราะบางทีเนี่ยความรู้สึกตัวของเราเนาะมันมันก็ไม่มีเพราะว่ามันมันหลงไปเช่นหลงไปคิดหลงไปมองหลงไปดูจนกระทั่งลืมตัวลืมตัวเองลืมตัวเราไปว่าเราเนี่ยเอ่อมีอยู่ร่างกายมีอยู่กำลังพูดกำลังคิดแต่ไม่รู้ไม่เห็นในปัจจุบันเช่นสมมติว่าเราเนี่ยเนาะกลังถามปัญหาอะไรบางอย่างเนาะถามว่าอาจารย์ ทำยังไงถึงจะมีสติรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องอ่าสมมติเป็นคําถามที่พูดแบบเนี้โยมลองดูนะตรงที่ถามเนี่ยใครเป็นคนถามถูกไหมแต่เราไม่เห็นว่ามีตัวเราเป็นผู้ถามเราไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยอยากจะรู้คําตอบซึ่งตอนนั้นตัวเรายังไม่รู้คําตอบแต่เราหวังจะได้คําตอบจากครูบาอาจารย์ว่าจะตอบว่ายังไงจะฝึกยังไงถึงจะให้รู้สึกตัวขณะตรงนั้นเน่ยเราลืมตัวเราไป เพราะมัวแต่คิดมัวแต่ถามแล้วก็รอคําตอบแต่ปัจจุบันนั้นเราลืมไปว่าตัวเรานั่นแหละเป็นผู้อยากรู้อยากได้อยากจะได้คําตอบตามทันไหมตรงนี้แล้วมีเยอะมากนะตรงนี้มีเยอะมากตรงที่เราถามกันนี่แหละเราลืมตัวไปว่าเออเราเป็นคนถามถ้าหลักสติปัฏฐานเขาว่าไงก็คือรู้ตัวใช่ไหมกําลังพูดกําลังคิดกําลังถามกําลังสงสัยเห็นไหมเราไม่ต้องไปหาคําตอบ เพียงแต่ว่ารู้ตัวว่าเออตัวเองกำลังสงสัยกำลังถามถ้ารู้ ต, ตัวตรงนี้ไงที่เขาเรียก ว, ว่าความรู้สึกตัวรู้สึกตัวตอนไหนก็ตรงขณะที่กำลังถามกำลังคุยมันเป็นปัจจุบันตรงนี้ไงมันเป็นเรื่องที่จากประสบการณ์หลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่เห็นตรงนี้อพอไม่เห็นตรงนี้มันก็ถามไปเรื่อยถามแล้วก็ไม่ไม่หมดข้อสงสัยสักทีพอถามไปได้คาตอบตรงนี้ อา้าวอยู่ๆมันก็สงสัยอีกแล้วก็ถามอีกอา้าวพอได้คําตอบมันก็ถามอีกโอยอย่างนี้เมื่อไหร่จะจบคําถามแต่ถ้าให้จบก็คือรู้ตัวเรารู้ตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้ถามที่เป็นผู้กําลังกระทำอะไรยอยู่แค่รู้ตรงนี้หยุดที่ตรงนี้แล้วมันก็จะจบเป็นขณะขณะลองดูสิเวลาเราถามปัญหาเนี่ยเหมือนเด็กๆ เ, เนาะเคยเคยมีลูกหรือเคยมีหลานเนี่ยเด็กที่หัดหัดพูดอะนะโอย ตอบกันไม่หมดไม่ไหวคือพอถามปับ๊บเ้วก็ตอบตอบเสร็จเขาก็ถามต่อแล้วก็ตอบแล้วก็ถามต่อจนเหนื่อยอ่ะพ่อแม่หรือผูอ้ปกครองหรือคนดูแลเหนื่อยที่จะตอบว่ามันเลยจะหยุดสักทีทำไมเขาถึงถามเพราะว่าพอเขาได้คำตอบเสร็จมันก็มีคำถามใหม่ไปเรื่อยแต่เวลาเราปฏิบัติธรรมเราไม่ไหลไปกับสิ่งที่เราสงสัยแต่ให้รู้ตัวว่าเออตัวเราเนี่ยมันมีความสงสัยแล้วก็ให้รู้ตัว ถ้ารู้ตัวนี่คือปฏิบัติธรรมแล้วแต่ถ้าสงสัยคิดคิดหาคำตอบคิดค้นหาคำตอบอย่างนี้ยิ่งคิดยิ่งหลงอย่าลืมนะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติธรรมคือฝึกให้มีตัวรู้ฝึกให้มีสติเราไม่ได้ฝึกเพื่อที่อยากจะรู้อะไรมากมาย <c oughs> เพียงแต่ว่าให้กลับมารู้ตัวเราฮกลับมารู้ตัวเราล้วรู้ตอนไหนก็ตอนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ No. เนาะทีนี้เดี๋ยวจะเข้าห้องน้ําอีกไหมไม่เข้าเนาะที่นั่งนี้เนาะ เ, เดี๋ยวเราจะจะให้ไหมไปแล้วก็มาชวนคุยพูดคุยกันว่ามันเป็นยังไงมันติดตรงไหนอะไรหรือสงสัยอะไรถามได้ทุกอย่างแต่เราอาจจะไม่ได้ตอบตรงที่ถามก็ได้ถามอย่างตอบอย่างเพราะว่าเพื่ อ, อ, อหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนชี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ย เป็นยังไง เ, เดี๋ยวเด to ี๋ยวเดี๋ยวพอมีแบบฝึกหัดเดี๋ยวต่างเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองตอนเนี้มยังคิดเดาไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีมีเหตุการณ์ก่อนพอมีเหตุการณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะชี้ให้เห็นว่าตรงนี้นะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ตรงนี้นะเป็นสิ่งที่ต้องต้องรู้จักถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันรู้ผิดตัวไปหมดเลยรู้ผิดตัวคือผิดตัวยังไงคือรู้ไม่ถูกตัวนะเพราะจริงๆคือรู้ตัวแต่เรารู้ไม่ถูกตัวหลวงพ่อยกตัวอย่าง สมมุติเรามองไปที่เนี่ยกล้องกล้องถ่ายเนาะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะพอเห็นกล้องถ่ายปั๊บเท่ากับเห็นแล้วรู้แล้วว่าอันนี้กล้องถ่ายแล้วก็จําชื่อตามอะไรก็แล้วแต่ตามข้อมูลเดิมว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแล้วก็เราก็มองเข้าไปพอมองเสร็จเราก็พูดเข้าไปว่าเออกล้องอันนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างงั้นเราก็พูดเข้าไปคือเราเนี่ยพูดแต่เรื่องกล้องไม่ใช่ไหมอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเราเนี่ยรู้แต่เรื่องกล้องแต่ไม่รู้เรา โยมลองดูมือหลวงพ่อนะพอรู้เรื่องเรื่องกล้องเนี่ยคือจิตเนี่ยมันจะส่งออกเข้าไปรู้ตรงนู้นแต่ตัวที่พูดที่บนที่พันน า, นาเรื่องกล้องเนี่ยอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่คนคนนี้แต่เราอะ่ะไม่เห็นตัวเราที่เป็นผู้พูดผู้อธิบายเรื่องกล้องก็เลยอธิบายรู้มากเหลือเกินอย่างนี้เขาเรียกว่าเรารู้แต่ธรรมะคือต้องรู้เราโยมเห็นความแตกต่างหม ถ้าเรารู้โอ้กล้องนี้สวยจังเลยอ ย, งงอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โบรรยายสารพัดถ้าคนอื่นมองก็บอกอันนี้มันรู้ดีจังเลยมันรู้เรื่องกล้องแต่อันนี้ก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกคือไม่ใช่หนทางของการพ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปรู้เรื่องกล้องถ้าพ้นทุกข์เป็นยังไงนี่รู้เรารู้เราว่าเราอ่ะรู้เรื่องกล้องรู้เรารู้เพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้ละปล่อยวางเห็นไหม รู้ละปล่อยวางก็คือทั้งรู้ทั้งละทั้งวางวางก็คือไม่ยึดถือทําไมไม่ยึดถือก็เพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของการไม่ยึดถือเรื่องของการปล่อยวางถูกไหมเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าพ้นทุกเราจะปล่อยวางก้องหรือจะปล่อยวางตัวนี้เออหลวงพ่อเออตอบได้ไหมว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความพ้นทุกข์เนี่ยให้ปล่อยวา ง, งอะไรให้ปล่อยวางสิ่งนู้นหรือให้ปล่อยวางสิ่งนี้เออต้องปล่อยวางตัวเราเพราะตัวเราคือขันห้า ใช่ไหมมีตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่หลวงพ่อใช้คําสมมติเรียกว่าตัวเราคือเรียกรวมๆกันหมดแล้วหขันนี้เรียกว่าตัวเราใช่ไหมเพราะเวลาใช้คําว่าตัวเราทุกคนรู้จักใช่ไหมตัวเราคือไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักตัวเราก็เท่ากับว่าวางหมดเลยถ้ายึดตัวเรามันก็เป็นทุกข์กับตัวเราเพราะตัวเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้ารู้ตัวเราแต่ไม่ยึดพ้นเลย ถ้าไม่ยึดตัวเราคือพ้นเลยพ้นอะไรพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายพ้นแต่ตัวเนี้ยเป็นขันห้าซึ่งมันจะต้องเสื่อมสภาพเป็นปกติของขันห้าแต่ถ้ารู้ทั้งรู้รู้แล้วไม่ยึดนี่มันสําคัญอยู่ทั้งนี้รู้แล้วไม่ยึดทําไมทําไมไม่ยึดเพราะว่าถ้ายึดก็เป็นทุกข์สิใช่ไหมเนี่ยที่มีทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะยึดตัวเองยึดขันห้า ยึดรูปยึดเวทนายึดยึดหมดเลยไม่ว่าส่วนไหนรูปร่างกายก็ยึดเวทนาความรู้สึกต่างๆก็ยึดสัญญาความจําได้หมายรู้ก็ยึดสังขารความคิดนึกปรงแต่งก็ยึดวิญญาณไอ้ที่ทําหน้าที่รับรู้ทางหูตาจมูกยึดหมดคือเป็นเราเป็นของเราแต่เมื่อกี้ที่เราสวด อ, น, อ, อนัตตลกนาสูตรเขาบอกว่าไงนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราคําว่านั่นนแสดงว่ารู้แล้ว เช่นสมมติว่านั่นนนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาถ้ากลับมานี่นั่นนี่ก็คือตัวนี้นั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นจะต้องเห็นมันก่อนถึงจะละปล่อยวางได้จะเรียกว่าเห็นก็ได้รู้ก็ได้ถึงจะปล่อยวางได้ถ้าไม่เห็นปล่อยวางไม่ได้สำคัญมากนะไอ้เรื่องการรู้การเห็นเนี่ยเพราะนั้นทาไมจึงสติปัฏฐานเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสติปัฏฐานคือความระลึกได้ ระ ล, ลึกได้เห็นอยู่รู้อยู่เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ก็คือปล่อยไม่ยึดไม่ถือเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์คือรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ผ่านคือไม่ยึดมันมีแค่นี้มันไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรหลายคนทุกวันนี้ปฏิบัติเพื่อจะเอายมลองนึกดูนะไม่กระทั่งตัวเราทุกวันนี้ปฏิบัติเพื่อจะเอาตั้งหลายเรื่อง ถ้าอันไหนดีๆถูกใจก็จะยึดใช่ไหมเช่นปฏิบัติแล้วรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายชอบดิไอความชอบนั่นแหละนั่นแหละไอตัวที่กลับไปเพลินไปหลงไปยึดถือว่ามันเป็นของดีแต่ความจริงหารู้ไหมว่าอาการความโล่งความโปร่งความเบาสบายมันก็คือสังขารอย่างหนึ่งก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มของขันห้านี่แหละเนาะเราอาจจะไม่รู้จักว่าเรียกว่าขันไหนแต่ให้พึงเข้าใจว่ามันมีอยู่อ่ามันมีอยู่ก็เพื่อแค่รู้ไม่ใช่มีอยู่เพื่อจะยึดถือ มาครอบครองเป็นของตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่แก้ไขก็หมายความว่าทุกค น, นที่พวกเราที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าพบอารมณ์พบอาการที่มันโล่งโปร่ง ส, บ า, า บ, าสบายแล้วเนี่ยอันนั้นแหละก็เพียงแค่รู้เข้าใจเนาะแค่รู้รู้แล้วรู้แล้วว่ามันโลง่งมันเบาสบายแต่ไม่ใช่ว่าต้องยึดถือหมายความว่าต้องทรงรักษาเอาไว้ให้มันอยู่ยงคงกระพันไม่ให้มันเปลี่ยนอย่างไงมันก็ต้องเปลี่ยน ขึ้นชื่อว่าสังขารขึ้นชื่อว่าขันธ์หน้ทุกอย่างเปลี่ยนหมดไม่มีคงที่ไม่มีอะไรเที่ยงมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปนะตรงนี้เป็นจุดแก้ไขเพนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเขเรียกว่าปัญญาจากการฟังมีคนชี้บอกมีพระพุทธเจ้าบอกว่าเออไม่ว่าจะเป็นรู้สึกอาการแบบไหนเพียงแต่รู้ในสติปัฏฐานที่เราสวดเห็นไหมเพียงแค่รู้กายมีอยู่ก็เพียงแค่รู้เวทนามีอยู่ก็เพียงแค่รู้จิตมีอยู่ก็เพียงแค่รู้ธรรมะหมดธรรมทั้งหลายมีอยู่ก็เพียงแค่รู้ เพียงแค่รู้แล้วเธอก็จะไม่ติดยึดอะไระไรในโลกนี้สำคัญเพราะนั้นตรงนี้จำหลักมันก็เพียงแค่รู้เมื่อกี้หลวงพ่อพูดในเชิงที่ว่ามันถูกใจนะมันสบายมันโลกงมันอุ้ยโล่งบางคนบอกออนิพพานแล้วยึดแล้วก็พยายามรักษาไว้ไม่ต้องรักษาแค่รู้เป็นปัจจุบันว่ามันสบายก็รู้ทีนี้พูดถึงความไม่สบายบางทีมันมันตงมันรู้สึกมันหนักหนั ก, นกทึบๆตื้อๆใช่ไม เห็นไหมก็มีอยู่แล้วอ้าวตรงนี t t ้ก kind of ็แค่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้รู้สึกว่าโหมันไม่สงบเลยมันหนักมันตื้อมันอาจจะปวดเมื่อยปวดเอวปวดหัวร้อนวบวบวบวมันหาความสบายที่ถูกใจไม่มีเขาเรียกว่าเป็นอาการที่ไม่ถูกใจอันนี้ก็เพียงแค่รู้เหมือนกันนะจับหลักให้แม่นนะตรงนี้คือแค่รู้แล้วยมสังเกตดิอาการเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาเรียกว่าสลับด้านสลับหน้า เดี๋ยวก็สบายได้โล่งได้เอาอีกหน่อยหนึ่งมันก็หายไปใช่ไหมแล้วก็รู้สึกหนักทึบต้ อ, อีกแล้วอะสักพักหนึ่งหรือนานแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็กลับสบายอีกนี่ตั้งแต่เกิดมามันก็มีลักษณะสลับฟันปลาอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือแค่รู้ในปัจจุบันว่าเอออาการนี้มันปรากฏขึ้นแล้วก็เพียงแค่รู้ถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้อื่นๆก็เหมือนกันก็คือแค่รู้ ฟังง่ายเนยาะโยมว่าฟังง่ายหมะแล้วเวลาปฏิบัติเป็นไงไม่ได้เหรอเพราะอะไรอะ่ะเพราะจะทำให้ได้ใช่ไหมล่ะมันผิดตรงจะทำให้ได้นี่เขาบอกให้รู้ซื่อบางคนที่บอกว่ายากเพราะอะไรเพราะว่าลืมหลักของมันไปลืมหลักว่าหลักจริงๆริอ่ะคือแค่รู้แต่พอเราลืมหลักใช่ไหมมันจะทำให้ได้ไงมันจะเอาให้ได้พอเอาไม่ได้ขับแค้นใจทุกหนักกว่าก่ออีก แต่ถ้าแค่รู้ก็คือรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันรู้ซื่อๆ อ, อย่างตอนนี้นะอ า, อาการทางกายนะตอนนี้สมมติว่านั่งแล้วมันปวดตามร่างกายเนาะปัจจุบันเลยเนี่ยมันต้องมีนี่นี่ี่มีเนี่ยรู้ได้ไหมรู้ได้รู้ได้แต่บางทีมันอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะกำลังคุยเรื่องอื่นเนาะแต่ถ้ามีคนมาชี้บอกปับ๊บเออมันนึกออกพอดีอปวดตอนแรกตอนที่หลวงพ่อไม่บอกมันอาจจะไม่รับรู้ก็ได้ เพราะกำลังฟังกำลังอะไรอยู่เนาะพหลวงพ่อชี้นาแค่นั้นแหละเออวามันปวดดเลยปวดทาไงเมื่อมีอาการปวดถ้าถูกต้องทําไงนะเมื่อกี้หลักที่หลวงพ่อพูดเน้นมากๆว่ายังไงแค่รู้โอเคเปลี่ยนก็มันโอเคอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเอา้า จริงๆอาสัญชาติแานมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้ามีสติมันก็รู้เจ็บรู้เมื่อรู้ปวดแล้วก็มันก็จะเห็นตามเห็นว่าเออตอนนี้กําลังเปลี่ยนแล้วก็ความเจ็บความปวดก็จางคลายหายไปอันนี้ก็เรียกว่าสติมันตามเห็นอยู่แต่ว่าหลักตอนนี้นะหลวงพ่อใช้ใช้ในแง่เขาเรียกว่าแง่ปัญญาแน่เพื่อเออในแง่ของการที่ว่าแค่รู้แค่รู้ก็หมายความว่าในปัจจุบันขณะอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็คือแค่รู้แค่ทราบ ทราบทราบเออทีนี้ถ้าเราไม่ลืมหลักตรงนี้นี่ไงก็ใช้หลักนี้ตลอดทั้งชีวิตเลยทั้งชีวิตเลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้แล้วก็คือแค่รู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจความรู้สึกแบบไหนแค่รู้หลักของมันมีแค่นี้จริงๆนะแค่รู้ แต่ว่าโอเคแหละเวลาปฏิบัติมันมันหลงลืมใช่ไหมเพราะยังไม่ชํานาญเพียงแค่รู้มันจะต้องหงดหิบบ้างบําคาลบ้างโมโหบ้างเดี๋ยวก็มีสติระลึกได้ขึ้นมาจากการได้ยินได้ฟังอ่าครูบาอาจารย์บอกว่าแค่รู้อ่ามันได้หลักอีกแล้วหลักนี้มันมาจากไหนก็มาจากการได้ยินได้ฟังไงทีนี้ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยเราจะใช้หลักแค่รู้ได้ไหมไม่ได้เลยเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนบอกว่าเออต้องสดับนะรับฟังคําของพระองค์ไงฟังฟังก่อน ฟังก่อนเมื่อฟังเข้าใจแล้วก็พิจารณาตามอันเนี้เขาเรียกว่ามันเป็นปัญญาเนาะปัญญาเบื้องต้นซึ่งจะต้องมีฟังแล้วก็พิจารณาเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อกําลังพูดตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวต้องพิจารณาตามว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันมีมูลความจริงไหมละ่ะเออสิ่งที่หลวงพ่อยกตัวอย่างอะ่ะมันมีมูลความจริงไหมอ่าถ้าเห็นว่าเออใช่ปวดเมื่อยอย่างนั้นอย่างนั้นเออมันมีความจริงนี่แสดงว่าพิจารณาแล้วเริ่มเห็นตามถูกไหม พอเห็นตามเสร็จแล้วเราก็เรียนตามนี้ไงปฏิบัติตามนี้ก็คือเห็นตามก็อ๋อพระพุทธเจ้าบอกว่าเออมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็รู้ก็รู้ก็ใชยหลักนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มต้นคือสติอย่างนี้แหละรู้รับรู้รับทราบรับรู้รับทรา บ, รรบเป็นขณะปัจจุบันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยอเคนี่เท่าที่ฟังตอนนี้อ๋อตรวจ ด, ดูตัวเองที่ว่าเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมล่ะเอาไม่ดีกว่า ขออนุญาตถามค่ะคืออย่างแม่ชีปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบก็คิดว่าตัวเองทําได้นะคะแต่ว่าเหมือนมีแบบใครมาทําให้โกรธค่ะโกรธขึ้นแบบมาแบบอยู่กับอารมณ์นั้นนะคะมาสองวันสมวันยึดติดกับอารมณ์นั้นนะคะ ท, ทั้งที่รู้ว่าโกรธแต่ก็มันก็วางไม่ได้เป็นเพราะอะไระเออแล้วตอนนี้ยังโกรธไหมไม่หรอคะเออนะปัจจุบัน ถ้าเราฝึกรู้ปัจจุบันเก่งๆเนี่ยสิ่งที่โยมถามเนี่ยมันสิ่งสิ่งที่รู้ปัจจุบันเก่งๆเนี่ยมันจะแก้ปัญหาสิ่งพวกนั้นได้แต่ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเรารู้ปัจจุบันไม่ชํานาญพอไม่ชํานาญมันก็ให้ผลอย่างที่ที่โยมถามนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ต้องดูว่าอ๋อภาวะแบบนั้นมีไหมถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีเนี่ยอย่างตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยว่าตอนเนี้มีอาการโกรธแบบมีไหม เออเนี่ยให้รู้ปัจจุบันในสติปัฏฐานท่านบอกว่าเมื่อจิตมีโทสะก็ให้รู้นี่แสดงว่าท่านกําลังพูดในปัจจุบันเมื่อมีโทสะตอนนั้นก็ให้รู้ว่ามีโทสะแต่เนื่องจากว่าตอนตอนนูน้นกับตอนนี้มันคนละตอนแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อไม่มีโทสะก็ให้รู้ว่าไม่มีโทสะจับหลักตรงนี้เป็นปัจจุบันไม่ต้องไปห่วงอดีตว่าอาดีตเคยทําไม่ได้วุน่นทาไมมันเป็นอย่างนั้นวางไปเลยไม่สนใจรู้ปัจจุบันว่าเออตอนนี้ไม่มีความโกรธนี่ นี่คือชี้ชี้บอกนะชี้บอกให้เพื่อจะได้เข้าใจว่าเออจากนี้ไปให้รู้อยู่กับปัจจุบันไม่ไม่ติดใจในอดีตเพราะในอดีตคนเราเนาะมันมากมายเนาะบางคนเคยทำความดีมาอดีตนะแต่ปัจจุบันเป็นคนชั่วไปแล้วเห็นไหมใช้ไม่ได้หรือบางคนอดีตเคยทำชั่วแต่ปัจจุบันนี้กลับใจเป็นคนดีไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะอัปเดตใหม่อยู่เสมอปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ นะอันนี้ก็จำหลักเป็นปัจจุบันเนาะนะแล้วขอต่อยอดนิดหนึ่งคือที่เราพูดตั้งแต่ต้นพูดถึงว่าสังขารเอ้ยขันห้าสังห้าไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงก็คื อ, คอขันห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราถูกต้องไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราไหมเรามีเราไหมตอนเนี้ความรู้สึกลึกๆคือยังมีเราอยู่ไหมมีอ่านี่ไง ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่าทําความเข้าใจให้ต่อเนื่องว่าจริงๆอ่ะมันมีแต่ขันหน้าหรือว่ามีแต่สังขารหลวงพ่ออาจจะใช้คําว่าสังขาร น, นะสังขารในที่นี้คือรวมหมายความว่าทั้งร่างกายทั้งจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้คือสังขารเป็นความหมายที่กว้างเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าสังขารก็คือมันไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์และก็สังขารก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตน พึงทำความเข้าใจในปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่ามันมีแต่สังขารตัวตนจริงๆไม่มีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยฟังให้เข้าใจถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ต่อเนื่องแต่ต้องเป็นปัญญาจากการฟังเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้สอนเรื่องนี้หมายความว่าเราศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเราก็ต้องฟังไว้ก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าศรัทธาเนาะพอศรัทธาเสร็จแล้วเนี่ยพยายาม โยนิโสมนัสิการบ่อยๆว่าไอ้ที่นั่งก็เดินที่ยืนก็ดีที่ถามก็ดีมันคือสังขารที่กำลังปรุงแต่งมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญไงเพราะว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือ ท, ท, ทำความเห็นให้ถูกต้องในขั้นเบื้องต้นเลยถ้าลืมตรงนี้ไปนะมันจะยิ่งเนื่นช้าเพราะเนื่นช้าทาไมเพราะว่ามันหลงผิดเข้าใจผิดนึกว่ามีตัวเราจริงๆ แต่ถ้าเข้าใจถูกว่ามันไม่มีเรามันมีแต่ขันห้ามีแต่สังขารตรงนี้แหละมันจะเร็วมันจะเร็วก็คือเรียกว่าพ้นทุกข์ได้เร็วถ้าเข้าใจถูกตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่าไม่มีเราพ้นทุกข์แล้วนะเนี่ยใครจะทุกข์ในเมื่อไม่มีเราอถ้าเข้าใจถูกตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่าไม่มีเรามีแต่ขันห้ามีแต่รูปน้ำเนี่ยมีแต่เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยมันพ้นทุกข์เรียบร้อยแต่ถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่ มันยังสงสัยยังมีอันนี้ยังมีทุกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพ้นทุกเร็วๆก็คือมีสติปัญญารู้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ว่าที่นั่งอยู่ที่เดินอยู่ที่พูดอยู่ที่สงสัยอยู่ที่เจ็บที่ปวดที่เมื่อยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันคือสังขารมันไม่ใช่เราเห็นมันก่อนรู้มันก่อนแล้วก็เข้าใจถูกได้เลยเข้าใจถูกจากการฟังนี่แหละแล้วก็ภาคปฏิบัติก็คือเพียรมีสติคือเห็นบ่อยๆจะเดินจะนั่งเห็นตัวเองบ่อยๆว่าเออที่เดินมันก็ไม่ใช่เราเดิน เราได้ยินใช่ไหมครูบาอาจารย์ท่านก็เทศอยู่แล้วว่าที่เดินไม่ใช่เราเดินนะที่นั่งไม่ใช่เรานั่งนะที่มาวัดป่าสุกโตเนี่ยไม่ใช่เรามานะแล้วยมจะตอบว่าไงถ้าไม่ใช่เรามาใครมาเอ อ, เอจับไหมตอบดิใครมาหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีเราเป็นอนัตตาหมดแล้วที่มาที่วัดป่าสุกโตใครมาเออลองตอบดิ คิดว่านะคะตามความเข้าใจคิดว่าเป็นเ อ, อ่อร่างกายคะ่ะเป็นแบบน่าจะเป็นสังขารร่างกายนะคะเออนี่แหละให้เข้าใจแบบเนี้เพราะว่ามันมีแต่ขันห้ามีแต่ร่างกายจิตใจถ้าแยกสองอันก็มีร่างกายจิตใจใช่ไหมเออร่างกายจิตใจเป็นรูปธรรมนามธรรมคือไม่ใช่เราเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่มาวัดป่าสุกโตไม่ใช่เรามาแต่ไอนันนียมันมา แล้วตอนนี้ยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่ไหมตอนนี้อยู่ไหมอยู่เนาะ ย, ยังไม่กลับอที่อยู่นี้เป็นเราไหมอ่ะตามที่เข้าใจจากการได้ยินที่พระพุทธเจ้าบอกตอบแบบนี้ไปก่อนตอบแบบว่ า, าที่ถ้าความเข้าใจแบบอย่างถ้าพระอาจารย์บอกก็คือจะตอบว่าที่นั่งอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เราแต่ในความในใจมก็มันก็ยังเป็นเราเอยู่เป็นเรานี่ไ ง, ไ, งไอความยึดมั่นถือมั่นข้ามภพข้ามชาติซึ่งเป็นอย่างเหนียว ปล่อยวางได้ยากที่สุดขนาดที่เราสวดมนต์ทุกเช้าใช่ไหมเรื่องปรองสังขารก็ดีเรื่องขันห้าก็ดีเราก็สวดทุกวนันทุกวนันแต่ก็ยังเข้าใจถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากไอ้เรื่องยากแบบนี้แหละต้องเพียรที่จะทําความเข้าใจอยู่บ่อยๆว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไงทำบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันค่อยๆถอนความหลงผิดไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อย แต่ถ้าวันๆเราปฏิบัติแต่เอาแต่สบายไม่ได้ไปเห็นตัวเองไม่ได้พิจารณามันก็ถอนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาเพื่อการถอดถอนมันก็ยึดแต่ถ้าเห็นตัวเองทุกครั้งที่เห็นก็มันจะเข้าใจได้ไงจากการฟังมีคนชี้บอกว่าพระพุทธเจ้าชี้บอกนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เขางเราไอาการที่เข้าใจถูกแบบเนี้บย บ, อย บ, อยบอย่อยๆบ่ยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็หลุดไปทีละเล็กทีละน้อยแลสุดท้ายมันหลุดหมดเลยไม่เอาแล้วไม่ยึดถือแล้วมันเป็นเรื่องของจิตของใจเรื่องของสติปัญญา เราเข้าใจแล้วเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะปล่อยวางทั้งหมดใช่ไหมแต่อย่างน้อยจากการได้ยินนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทาให้คลายไปเรื่อยๆคลายไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ที่สำคัญคือที่จากประสบการณ์หลวงพ่อนะทำไมมันปล่อยวางไม่ได้เมื่อก่อนคือมันแยกไม่ได้ระหว่างตัวเรากับตัวผู้รู้มันแยกไม่ได้ระหว่างเรากับรู้ นะมันแยกไม่ได้คือรู้กับเรามันอยู่ในเดียวกันเหมือนกับไข่กับลูกไก่อะมันอยู่ที่เดียวกันมันแยกไม่ได้ว่ามันเป็นคนละสิ่งกันแต่ถ้าลูกไก่มันมันแตกจากฟองใช่ไหมมันไปอยู่ที่หนึ่งเปลือกอยู่ที่หนึ่งมันจึงเห็นว่าอ้ไอเปลือกเนี่ยไม่ใช่มันแล้วเพราะมันแยกออกมาเป็นเปลือกไข่กับตัวลูกไก่ใช่ไหมทีนี้ในตัวเราเนี่ยมันมีธรรมชาติรู้กับขันห้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกัน แต่มันยังแยกไม่ได้เพราะว่าสติปัญญามันยังไม่พอที่จะแยกได้มันก็เลยเป็นสิ่งเดียวกันแต่ถ้าลองแยกออกมาเมื่อไหร่มันจะรู้เลยว่าเอา้าตัวเราก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งถูกไหมตัวเราก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่นั่งที่เดินที่นอนแต่ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมารู้มันแยกออกมาทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยหลวงพ่อก็บางทีก็สงเคราะห์กันนะเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยเมื่อก่อนเราเห็นตรงนี้ไม่ได้มันก็เหมือนกับโยมนี่แหละคือ ทำยังไงให้มันแยกออกมาทำยังไงมิเตเราจะถามไปเรื่อยนะทำยังไงทำยังไงให้มันแยกออกมาถ้าถามอย่างเนี้ยมันก็แยกไม่ได้หรอกมันจะต้องสังเกตสังเกตจนกระทั่งว่าอ๋อไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วไอ้ที่ตัวรู้ตัวเรามันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งอะทีนี้หลวงพ่อทําแบบฝึกหัดแล้วนะตอนนี้นะโยมดูนะใครมีปัญญาก็สามารถเห็นตรงนี้ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็รอบหน้าก็ฟังใหม่แล้วก็ยกตัวอย่างใหม่ เออหลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องการมองในกระจกก่อนนะโยมลองนึกภาพนะมันมีกระจกบานใหญ่เนาะสมมติว่ากระจกใบใหญ่แหละอ่าแล้วเวลาเราเข้าไปหน้ากระจกมันเป็นยังไงเอายมอธิบายที่ถือใหม่เวลาไปอยู่หน้ากระจกมันเป็นยังไงบ้างเออลองพูดตามที่เห็นมาก็เห็นร่างกายเห็นหน้าตาเห็นตัวอ่าลองนะเออหลวงสมมติหลวงพ่อจะถามว่าพอยืนหน้ากระจกใช่ไหมครัมันก็เห็น เห็นตัวเราที่อยู่ในกระจกใช่ปะใช่ค่ะเป็นกระจกแล้วเราก็เชื่อว่าเออไอ้นั้นแหละตัวเราแต่ก็เข้าใจได้นะว่ามันก็เป็นเงาใช่ไหมใช่ค่ะมันเข้าใจได้ร0อยเปอร์ซเลยว่าไอ้ที่อยู่ในกระจกอ่ะมันเป็นเงาถูกป่ะแล้วไอ้ตัวที่ไม่ใช่เงาอ่ะอยู่ตรงไหนไอ้ตัวที่ที่เรียกว่าตัวเราจริงๆอ่ะมันอยู่นอกกระจกหรืออยู่ในกระจกอยู่นอกกระจกเออตัวที่เข้าไปยืนใช่ไหม เออไอตัวเนี้ยความรู้สึกที่เราเข้าใจว่าคือตัวเราแต่ที่อยู่ในกระจกคือเงาใช่ปะ่ะใช่ค่ะโยมนึกออกแล้วยังว่าไอตรงเนี้ยมันจะมีธรรมชาติรู้อยู่ธรรมชาติรู้อะไรก็รู้ว่าตัวเราอยู่หน้ากระจกไอเงาที่มันอยู่ในกระจกมันรู้เราไม่ได้นั่นนะ่ะถูกไหมถูกค่ะเออ <ฮะ S 1> แต่มันมีธรรมชาติรู้รู้ว่ารู้ว่าเราอยู่หน้ากระจกถูกปะ่<ฮ>ะตรงเนี้ยมันแยกแล้ว แยกก็คือตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไม่บอกไหมแต่ธรรมชาติรู้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เราอะมองไม่เห็นแต่เขาอะเห็นเราว่าเราอยู่หน้ากระจกแต่เราอะไม่เห็นเขาเขาคือตัวรู้ะนะเราอะไม่เห็นเขาว่าไอรู้มันอยู่ตรงไหนว่าทำไมมันรู้เราว่าเราอยู่หน้ากระจกชวนนึกออกไหมนึกว่าบ อ, อกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นไอธรรมชาติรู้เนี่ยมันรู้เราได้ แต่เราอะไปมองธรรมชาติรู้อยู่ไหนวะหาไม่เจอเพราะธรรมชาติรู้มันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มันไม่มีรูปร่างเออถ้าระดับการฟังอย่างนี้พอฟังเข้าใจไหมหรื อ, อยังงงโ<ะ>ยมเข้าใจั้มโอ้โหนี่งไงมันต้องฟังอีกเอาโยามกนนั่งหลังสุดเข้าใจบออ่าเห็น ไ, ไหมบางคนเข้าใจนะเออเนี้ยกเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกัน ถามว่าทำไมบางคนเข้าใจทำไมบางคนไม่เข้าใจตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาคนเราไม่เท่ากันนะสติปัญญาเนาะเพราะนั้นสิ่งที่เรายกตัวอย่างเนี่ยก็คือเผื่อบางคนเขาเข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ๆเวลาไปยืนหน้ากระจกเดี๋ยวมันก็อ๋อมันจะร้องออกขึ้นมาได้เองว่าอ๋อรู้แล้วไอ้ตัวที่มันรู้เรามันเป็นอย่างนี้เออตรงนี้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมา เอาทีนี้เราไม่เอาหน้ากระจกแล้วเราเอาตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้นะเออแม่ชีลองดูนะรวมถึงพวกเรานะอ่าดูนี่หลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้เนาะทุกคนก็เห็นใช่ป่ะอ่ะเห็นหลวงพ่อว่าหลวงพ่อนั่งตรงนี้แล้วใครล่ะเห็นหลวงพ่ออ่ะเบื้องต้นก่อนนะแม่ชีตอบดิใครเป็นคนเห็นหลวงพ่อตามที่เข้าใจ แม่ชีเห็นเออเบื้องต้นนี่นะคนอื่นยังรู้เลยว่าแม่ชีเห็นหลวงพ่อเพราะพ่อแม่ชีเป็นคนคุยกันไงว่าอ๋อแม่ชีเห็นหลวงพ่อไหมแม่ชีบอกว่าเห็นคนอื่นยังพอเข้าใจเลยว่าแม่ชีเป็นคนเห็นใช่ป ะ, ะแต่เราอะบางครั้งอะ่ะเราไม่เห็นเราแต่คนอื่นอะก็เห็นเราเรียบร้อยแล้วว่าเราเป็นคนเห็นแต่เราเองอะเราไม่เห็นเรามีนะจุดบอด ต, ตรงเนี้ยคือรู้ตัวเราไม่ได้เลยอะ่ะ งงไหมตอนนี้โยมผู้ใหญ่งง่ะเออแต่งงไม่เป็นไรนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติแล้วก็มีการชี้ชีน้นําชี้บอกนี่โยมดูที่ขนาดชี้บอกนะยังรู้ไม่ได้อะ่ะแล้วเรื่องอื่นๆที่ถ้าไม่มีใครชี้บอกอะโยมคิดหรอว่ามันจะรู้ได้อะมันรู้ไม่ได้มันต้องชี้นําชี้บอกเหมือนจะมาสุขสตองี้เราต้องชี้บอกก่อนเนาะขึ้นรถตรงนั้นตรงนั้ น, นต้องชี้บอกก่อนแล้วถึงจะมาถูก อันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อยกตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการชี้บอกแต่ก็ยังเข้าใจยากเลยอะลองดูเนอ่ยเมื่อเข้าใจยากอย่างเนี้ยต่อไปเนี่ยมันอีกหลายเรื่องถ้าไม่มีคนชี้บอกไม่มีกัลยาณมิตรมันรู้เองไม่ได้อะมันยากขนาดนั้นนะทีนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้ทั้งนั้นเอาเมื่อกี้ยกตัวอย่างสองอย่างเลยเนาะเรื่องกระจกแล้วก็เรื่องกันที่นั่งอยู่ในปัจจุบันตอนเนี้ย เออนั่งปัจจุบันตอนนี้เออเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าอ้าวเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ไหมทุกคนก็บอกว่าเห็นแต่พอถามว่าเคยเห็นบางคนก็บอกผมเห็นอ่ะเห็นไหมบางคนคิดก่อนเคยเห็นหลวงพ่อว่ามันคิดเยอะใช่ไหมคิดจนเลยลืมไปว่าเราเป็นคนเห็นนึกออกไหมคือที่คิดเยอะก็คื <c oughs> อแบบว่ากลัวคาตอบจะออกไปบอกว่า เราไม่มีตัวตนไม่ใช่กลัวจะตอบใช่นี่ไงความคิดมันมันคือมันคิดเยอะแต่ถ้าไม่คิดเยอะนะถ้าถามเด็กอนุบาล น, นะบางทีเขาไม่คิดเยอะไงถามหลวงพ่อนั่งอยู่เห็นไหมลูกเขาบอกเห็นครับเครเห็นลูกผมครับโอ้มันไม่คิดเยอะผมเลยก็คือตัวเองอเห็นมันง่ายขนาด น, นั้นนะเพราะฉะนั้นคนเรียนธรรมะบางครั้งเนี่ยยิ่งเรียนมากยิ่งหลวงสูงอะมันบังความจริงหมดเลยเพราะมันรู้เยอะเกินนึกออกไหม รู้เยอะเกินรู้เยอะเกินหรือบางทีเนี่ยบางทีเราพูดภาษาแบบบ้านๆเนาะแบบธรรมดาเนี่ยแต่คนเรียนธรรมะขั้นสูงเนี่ยถามว่าเคยเห็นจิตเห็นเอ้ไปตอบว่าจิตเห็นก็ถูกของเขาอ่ะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาเารู้ว่าจิตเห็นเขารู้ว่าจิตเห็ น, หนทำไมเขาบอกว่าจิตเห็นเพราะเขาเรียนมาเยอะเขาก็ตอบถูกนะแต่เขาไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องจิต เขาไม่รู้ว่าเขาไอตัวเขารู้เรื่องจิตว่าจิตจะเป็นผู้เห็นหรือบางคนบอกวิญญาณทางตาเป็นผู้เห็นอันนี้ก็รู้มากเหมือนกันก็ถูกนะแต่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอะเป็นผู้รู้ไม่ก้องไหมตรงนี้เออถ้าไม่รู้ตัวเองมันมันพ้นทุกข์ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นถึงเราจะรู้มากรู้อะไรเยอะแยะไปหมดรู้เรื่องจิตเรื่องใจลักรู้เรื่องนิพพานรู้เรื่องอนัตตาเรารู้ไปหมด เหลืออย่างเดียวที่ไม่รู้คือไม่รู้เราที่เป็นผู้รู้สําคัญนะถ้าไม่รู้เราว่าเราเป็นผู้รู้มันก็วางตัวเองไม่ได้ดิมันก็เป็นอัตตาใช่ไหมเป็นมานะเป็นอัตตาเข้าไปอีกยิ่งเรียนธรร ม, มามากยิ่งมานาทิฏฐิยิ่งอัตตาก็ยิ่งมากเพราะกูรู้เยอะเพราะฉะนั้นต้องกลับมารู้กูกลับมารู้ตัวเองงนะว่ากูเนี่ยเป็นผู้รู้รู้เพื่ออะไรก็เพื่อปล่อยวาง ถึงรู้มากก็ต้องปล่อยวางใช่ไหมพระพุทธเจ้าเรื่องปล่อยวางหมดไม่รู้ใครเป็นไม่รู้เราเป็นผู้ไม่รู้ก็ต้องปล่อยวางเราเป็นผู้รู้เยอะไม่ว่าจะรู้เรื่องโลกไม่ว่าจะรู้เรื่องธรรมะก็ต้องปล่อยวางตัวเราที่ไปยึดความรู้ว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้รู้จริงนี่ถ้าไม่มีคนมาชี้ตรงนี้นะโอ้โหมานาทิฐิสูงเพราะว่าไปยึดว่าเราอะเรารู้กว่าใครแต่ถ้ามีสติรู้เท่าทัน ตามหลักที่รู้ที่เร้าท่านสอนคือรู้ล้ปล่อยวางก็คือว่าอ๋อยังมีตัวเราเป็นผู้รู้อยู่ก็วางเลยพอรู้ปั๊บคือไม่ยึดเลยว่าเราเป็นผู้รู้แต่ความรู้ยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่ไม่ได้ยึดว่าเราเป็นผู้รู้นี่เข้าใจไ้ยเนี่ยหลวงพ่อคะการที่ตัวเรารู้ตัวเราเดี๋ยวขกใจใหม่นิดหนึ่งนมะ่มันมีสองตัวไม่พอเพราะว่า โยมทางบ้านได้ฟังด้วยเนาะคือทางทางผมเรียนอาจารย์ว่าการที่พูดว่าคําว่ากากรรมคำว่าตัวเรารู้ตัวเรารู้ตัวเราเนี่ยทางผมเข้าใจกับผมเข้าใจว่าลักษณะเหมือนกับตัวจิตเนี่ยจิตมันรู้คือจิตเนี่ยมันมันดูจิตตัวเองได้สามารถรู้รู้วรู้รู้จิตได้อพราว่าจิตดูจิตอะใช่ วิจิตตามจิตอะไรทําน้องเนี้ยอก็จะตรงกับทีจริงไหมจริงๆอ่ะนะถ้าถูกต้องจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่เห็นว่ามันเป็นจิตมันก็เลยไปยึดเือถือจิตมาเป็นตัวเป็นตนคือเป็นเราเห็นไหมหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างนี้นะเช่นนะสมมุติว่าเราเนี่ยไปเรียนตําราไปเรียนเรื่องจิตนะเห็นไหมมีผู้ไปเรียนเนาะ มีผู้ไปเรียนไปเรียนเรื่องจิตทั้งอ่านทั้งคุยทั้งสนทนาทั้งอะไรหมดทุกอย่างจนกระทั่งเข้าใจเรื่องจิตถูกปะ <laughs> พอเข้าใจเรื่องจิตเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆไอความเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของนามธรรมหรือเป็นเรื่องของความรู้เป็นความเข้าใจเป็นเรื่องของปัญญาแต่ด้วยความเป็นอวิชาคือความไม่รู้ก็ไปยึดว่าเราเป็นผู้รู้เรื่องจิตเห็นไหมมันมีผู้ตัวเราขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเข้าใจ ทันทีทันท่องทีมีสติปัญญาเท่าทันก็คือเหลยอว่าไม่มีเรามีแต่ความรู้เห็นไหมมันก็ปล่อยวางตัวเราได้ก็เป็นความว่างขึ้นมาคือว่างจากตัวตนมันก็มีแต่จิตอย่างที่หลวงพ่อถามเลยก็คือมีแต่ <ผม S 1> จิต จ, งงจิตรู้จิตมนุษย์เราเนี่ยเกิดมามันก็ประกอบด้วยกายซึ่งเป็นธาตุสี่ทีน้ำรดน้ำไปเลยนะเก็เป็นขันแต่จิตเนี่ยมันก็อีกตัวหนึ่งมันเป็น รูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยอจิตกับกายมันแยกกันก็ ม, นมีสองตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าจิตเราแยกจากกายมาก็ถือว่ากายเรานี่ไม่ไ ม, ไม่มีตัวมีตนแล้วลเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องสลายดับไปอไม่มีแต่จิตนี่มันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นจิตนี่มันก็จะต้องเป็นตัวที่รับรู้ซึ่งซึ่งพามาทางวิญญาณขันอะไรต้งองนองเนี่ยนะครับจะถูกต้องไหม คือมันก็เป็นตัวธาตุรู้เหมือนกันคือถึงแม้ว่าตรงนี้ฟังดีๆเนาะถึงแม้ว่าจะพูดถูกนะ<ช>สมมติว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันถูกถูกต้อง<ช>แต่มันใครล่ะไปรู้เรื่องนั้นน่ะลองดูดีๆนะใครล่ะไปรู้ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นวิญญาณขันมันเป็นอย่างนั้นใครละ่ะนึกออกไหมตรงเนี้ย<ช> <ๆ S 2> เพราะว่ามันมันก็ยากอยู่นะ <ๆ S 2> ถ้าถ้าสมมุติเรามองกันนะคนอื่นเขามองออกว่าใครล่ะเป็นคนรู้เรื่องนั้นคนอื่นก็บอกอ้าวหลวงพ่อหลวงพ่อไงรู้ แต่เราอะเราไม่รู้เราว่าเราเป็นคนรู้คือตรงนี้มันเป็นอวิชชาจริงๆนะคือมันละเอียดแต่ว่าก็ต้องฟังไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ตรงนี้เนี่ยนะความหลงผิดเนี่ยหมายความว่ามันจะมีการรู้แจ้งรู้แจ้งในเรื่องจิตรู้แจ้งในเรื่องวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องธาตุรู้หมดแต่มันยังมีเราเป็นผู้รู้แจ้งตรงนี้เป็นตัวที่มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเรายกตัวอย่างอย่า ง, างนี้นะ วันก่อนก็เพอดีไปบิณธบารเนาะกับพระท่านหนึ่งแล้วก็เดินคุยธรรมะ ก, กันไปด้วยบางช่วงแล้วก็ท่านก็รอบรู้ในเรื่องจิตมากเลยเรื่องจิตนะจิตไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณขันไม่ว่าจะเป็นจิตที่เป็นวิญญาณนาฏรู้อธิบายให้ให้อัตมาให้ผมเนี่ยฟังไอ้เรก็ฟังอรู้ละเอียดละออจังเลยอะ่ะเขารู้ถูกนะแต่ที่เหลืออย่างเดียวเขาไม่รู้ตัวเองว่ายังมีตัวเองเป็นผู้รู้เรื่องจิต แยกออกไหมเนี่ยคือจิตก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นธรรมชาติที่มีของมันอย่างนั้นเคยจะรู้หรือไม่รู้แต่จิตอันนั้นอ่ะมันก็มีถูกปะแต่บังเอิญอ่ะมันมีตัวตนของผู้รู้เรื่องจิตตัวตนของผู้รู้เรื่องจิตคนนั้นคือใครก็คนที่อธิบายให้เราฟังไงแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองไปรู้เรื่องจิตถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทันว่าอ๋อยังมีตัวเองคือมีตัวกูเป็นผู้รู้ มันจะต้องวางตัวกูที่เป็นผู้รู้แล้วถึงจะหลุดพ้นก็เหลือแต่จิตอย่างเดียวแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุ ญ, ญาต <c oughs> อาจารย์ที่เมื่อกี้ฟังเทปเทปทั้งบรรยายของอาจารย์ที่บอกว่าอาการที่เร า, าลืมลืมตั ว, วเมื่อกี้ที่ผมฟังนะะลืมตัวลืมใจกับรู้ตัวรู้ใจเนี่ยเพราะ รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมคือลักษณะมันที่ว่าลืมที่เมื่อกี้ผมฟังผมผมก็ตีความว่าการลืมตัวนี่คือเหมือนไม่รู้สึกตัวถ้าถ้าเรารู้ตัวเราก็มีสติมี ร, รู้ตัวอแต่การลืมลืมตัวก็ลืมใจที่ที่เมื่อกี้ผมเข้าใจว่าลืมตัวนี่ก็คือไม่มีสติ ไอ้ลืมใจนี่คือเหมือนกับเราหลงอะไรท้นนองนี้่ประมาณนี้นะใช่ไหมเยอะๆเชิญยขยายอธบย okay, นะอบะเอายกตัวอย่างตามที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แหละจริงๆธรรมะนี่มันเป็นมันพอมันเป็นปัจจุบันใช่ไหมมันก็ตกลงอดีตทันทีเลยอย่างที่ถามเมื่อกี้เนี่ยจริงๆมันหมดไปแล้วแต่เราก็จําเป็นต้องเอาของเก่ามาอธิบายเพิ่มเติ ม, ตมหน่อยอ่าทีนี้อย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องจิตใช่ไหมเราพูดถึงเรื่องจิตหลวงพ่อจะชี้ให้เห็นว่า มันมีเรื่องจิตคือจิตจิตก็คือ ส, ส, สิ่งสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ตัวเราเนี่ยนะอธิบายเรื่องจิตใครๆก็เห็นเมื่อกี้ใช่ั้มว่าตัวเราเป็นผู้ถึงพูดถึงเรื่องจิตทีนี้ถ้าลืมตัวก็แปลว่าอะไรคือพูดแต่เรื่องจิตอธิบายแต่เรื่องจิตแต่ลืมไปว่ามีตัวเราเป็นผู้พูดเห็นไหมใครเป็นคนพูดเรื่องจิตแหละเมื่อกี้ก็ตัวเราลืมไปลืมตัวว่าตัวเราเป็นผู้พูดเรื่องจิตตรงนี้นึกออกใช่ไห ออันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวตัวเองที่เป็นปัจจุบันที่กําลังพูดเพราะมัวแต่พูดเรื่องจิตเหมือนที่เรายกตัวอย่างมัวแต่พูดเรื่องนี้แต่ไม่รู้ตัวเราที่เป็นผู้พูดโอเคนะอันนี้เขาเรียกว่าอาจจะเขาเรียกว่าลืมตัวลืมกายก็ได้แต่ถ้าลืมจิตสมมุตินะเออลืมจิตลืมใจก็หมายความว่าพูดเรื่องจิตเหมือนกันแต่ตัวเองอ่ะสมมุติว่าพูดแล้วรู้สึกว่าพอเราตอบพอ ผมใช้คําว่าหลวงพ่อเหมือนกันเนาะพอหลวงพ่อตอบอย่างนั้นอย่างนั้นปรากฏว่าในจิตเนี่อรู้สึกว่ามันขัดข้องมันขัดคือความรู้สึกว่าของอันนี้ก็หลวงพ่อเหมือนกันจะสื่อสารกันยังไงหลวงตาก็แล้วกันเนาะโยมก็จะได้เข้าใจเนาะแต่นี้แทนตัวเองแทนอัตมาว่าหลวงพ่อเนาะแทนของของท่านเรียกว่าหลวงตาก็แล้วกันจะได้คนฟังที่บ้านก็จะได้เข้าใจหลวงตาเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องจิต ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ถามหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อก็ตอบพอหลวงพ่อตอบปับ๊บรู้สึกมันตอบไม่ตรงใจอะ่ะมันขัดใจถามอย่างทําไมอธิบายไม่ตรงตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจิตมีอาการแล้วอาการคือหงุดหงิดไม่ชอบอ่าถ้าลืมใจลืมจิตคือไงคือไม่เห็นอาการที่กําลังมีในขณะนั้นว่ามันไม่ชอบแล้วมันขัดใจแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าลืมจิตลืมใจคือ คือระลึกไม่ได้ว่าในจิตในใจเนี่ยมันเกิดอาการยังไงพอเห็นภาพไหมอ่าแต่ถ้าถ้าถ้าสมมติมีสตินะมันจะระลึกได้ขึ้นมาว่ามันขัดใจ อ, ะอ่ะต่อไม่ตรงตามที่เราอยากจะให้ตรงมันขัดใจเนี่ยที่นั่งอยู่ทุกวันเนี้ยตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยบางคนก็อาจจะเข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ในจิตมันมีอาการเนาะลำคาญแล้วก็บ่นในใจบอกเมื่อไหรจะเลิกสักทีวะอะไรเงี้ยถ้าเราลืมจิตก็คือเราไม่เห็นที่มันพูดภาคในใจอะ่ะ หรือว่ามันมีอาการชอบไม่ชอบอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าลืมแต่ถ้าคนที่ฝึกเก่งอ่ะโว้มันเห็นยุบยับไปหมดเลยเห็นอาการกระเพิ่มชอบบ้างไม่ชอบบ้างหงุดหงิดบ้างมันจะเห็นแต่ได้สักแต่เห็นตามที่หลวงพ่อพูดในเบื้องต้นก็คือรู้ในปัจจุบันขณะว่ามันเป็นยังไงก็คือรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ห้ามเลยห้ามไม่ได้ด้วยอ่าเนี่ยลองสังเกตสิเอา้าลองสังเกตเนี่ยที่นั่งกันอยู่ตอนเนี้หลวงพ่อกําลังคุยธรรมะอย่างเงี้ยแต่ในจิตในใจอ่ะบางคนอ่ะมันแวบอ่ะ แล้วมันก็พูดในใจอะ่ะมันจะพูดอะไรก็แล้วแต่ไง ấy, เราก็บอกไม่ได้อันนั้นแหละถ้าคนมีสตคิคือไม่ลืมจิตไม่ลืมใจก็จะเห็นจะรู้ว่าเออในจิตในใจอะ่ะมันปรุงแต่งมันมีอาการแล้วอาการนั้นแหละมีแต่เกิดแล้วก็ดับอะ่ะเกิดแล้วก็ดับมันมีจริงๆนะสิ่งเหล่าเนี้ยที่มันแวบแวบแวบอ่ะมันแวบแต่ถ้าเราตั้งใจจะให้ดูไม่เห็นหรอกเราฟังเป็นปกติทําเป็นธรรมชาตินี่แหละแล้วพอมันแวบ มันเห็นนะยังไงก็ต้องเห็นถ้ารู้จักแล้วนะแต่ถ้าไม่รู้จักก็ไม่เห็นแต่ถ้ารู้จักแล้วมันจะเริ่มเห็นว่าเออมันแวบบมันแวบเบนี่ยหลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยฟังแล้วก็พิจาณาพิจารณาตามว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่าเพิ่งเชื่อไงมันจริงหรือไม่จริงถ้ามันจริงเออแสดงว่าเออใช่ได้ถูกแล้วพูดถูกแล้วเราก็เอาความรู้ชนิดเนี้ยเป็นภาคปฏิบัติก็คือต่อไปก็ทําอะไรตามหน้าที่ปกติไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะเออไม่ผิดกฎหมายก็ทําไปปกติ อาการในจิตมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะรู้อย่างง่ายเลยรู้แบบไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องไม่ต้องใจจดใจจอ่อไม่ต้องรอรู้ไม่ต้องดักรู้มันรู้เลยแล้วก็จะเห็นเลยว่าเออมันแวบเดียวจริงๆมันแวบแวบแวบไม่ก้องไหมมีบ้างไหมเนี่ยระหว่างที่หลวงพ่อคุยแบบนี้แล้วมันมีอาการในจิตที่แบบเป็นความคิดก็ได้ที่มันมันคิดถึงที่นอนบ้างคิดถึงเรื่องพรุ่งนี้บ้างมันแวบแวบหรือบางคนอาจจะแวบนานจนฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องแนละ้วว่าหลวงพ่อพูดอะไร เพราะมันแว็บนานเพราะมันไปมันส่งออกไปแล้วไงแต่ถ้ามันเว็บไม่นานมันมีแค่แว็บเว็บมันรับรู้ได้ไงแว็บเวอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ารู้แบบไม่จ้องไม่เพ่งไม่ดักรอไม่ดักรู้รู้ในขณะปัจจุบันที่มันมีมีบ้างไหมที่หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบเนี้ยมีบ้างครับมีนะเออเห็นได้รู้ได้มันมีมันแว็บนิดนที่นั่งหลวงพ่อพูดเองอ่ะมันแว็บไม่รู้กี่แว็บแล้ว มันมีจริงๆเ น, ag, งนี่ยตรงเนี้ยเห็นความเกิดดับแบบง่ายมากเลยแล้วเป็นเขาเรียกว่าทําให้เกิดปัญญาคือเห็นสิ่งเกิดสิ่งดับโดยเฉพาะในจิตบวกกี้กาลังพูดเรื่องจิตก็คืออาการของมันอ่ะมันมีการเกิดแล้วก็ดับมันเกิดเองแล้วก็ดับเองตรงนี้แหละถ้าให้เกิดปัญญาก็คือว่าเห็นอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับพอเห็นเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับเสร็จแล้วมันจะเกิดปัญญาเข้าใจได้หลือว่าเอ้ยมันเกิดเองดับเองบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้มันทํางานของมันเองอ จะเข้าใจเรื่องอนัตตาจะเข้าใจทั้งอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือว่าไอ้ที่มันแวบอะมันไม่ใช่เราเ น, รนั่นไม่ใช่เราไงเห็นแล้วรู้แล้วนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรามันหมดแล้วปวดแล้วหมดแล้วเนี้ยนี่เขาเรียกว่ารู้ในจิตนี่ที่พูดอย่างนี้คือชี้บอกให้เห็นตามถ้าเห็นตามได้มันก็เป็นสติปัญญาเกิดแสงสว่างก็หมายความว่าคว่าแสงสว่างคือเห็นรู้ ไม่ใช่แสงสว่างแบบเป็นสว่างอะไรนะคือมันเหมือนกับว่าเห็นการเกิดเห็นการดับอันนี้จะเรียกว่าเห็นธรรมก็ได้จะเรียกว่ามันมีแสงแสงสว่างคือมันสว่างจิตคือมันเห็นะ่ะแต่ถ้าไม่เห็นมันก็มืดใช่ไหมมันมืดคือจิตเนี่ยมืดบอดคือยังไม่ตื่นรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตมากมายแต่ไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้เ็าเรียกว่าจิตยังไม่มียังไม่มีความสว่างจิต สุดท้ายต้องปล่อยวางหมดเลยใช่เพราะว่าการปล่อยวางเนี่ยมันอย่างนี้ในเบื้องต้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือมันเอาตัวตนเนาะเอาอัตตาไปปล่อยวางสิ่งไหนที่ไม่ชอบเนี่ยไปผลักใส่เพื่อจะให้มันหลุดออกไปอะ่ะเออมันเป็นกิเลสตถาคือผลักใสอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นการปล่อยวางที่ถูกต้องเพราะยังมีตัวเราเป็นผู้ปล่อยแล้วก็ตัวเราไม่ชอบแลยพยายามผลักไสเนาะอ่า เออนะอ่ากำลังอธิบายปล่อยวางนิดนึงนะเพิ่มเติมทีนี้ถ้าเข้าใจถูกถ้าเข้าใจถูกต้องนะอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างอะที่นั่งอยู่แล้วมันเห็นมันแว็บไปเวบไปเนะอ่านะที่ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างที่มันเว็บในใจ แต่ทุกคนต้องเห็นก่อนนะถึงจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดก็หมายความว่าเห็นการแวบ็บถ้าเห็นการแว็บเนี่ยพอมันแว็บปั๊บมันหมดใช่ไหมอย่างนี้เท่ากับว่าปล่อยวางแล้วปล่อยวางโดยไม่มีผู้ปล่อยแต่มันวางมันปล่อยโดยกฎของธรรมชาติเลยคือมันหมดไปโดยที่ว่าไม่มีใครเป็นผู้ปล่อยไม่มีใครเป็นผู้วางเพราะมันหมดไปด้วยตัวของมันเอง แต่เวลาเราปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติแบบนี้นี่มันเอาตัวเราไปปล่อยซึ่งยังผิดเยอะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าตอนที่พระอาจารย์ะเล่าให้ฟังว่าที่พระอาจารย์คุยกับพระท่านหนึ่งที่ว่าพูดถึงเรื่องจิตเรื่องอะไรเพระอาจารย์รู้รู้ได้ยังไงวะว่าที่ท่านพูดท่านไม่รู้ว่าตัวท่านกําลังพูดอ๋ออันนี้หลวงพ่อยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างเพื่อให้พวกเราพิจารณาด้วยว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันมันมกจะลืมตัวเองถูกไหมคือยกตัวอย่างถ้าเจ้าตัวไม่ลืมก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นปัจจตังอยู่แล้วย่อมรู้ได้เองว่าเออถึงแม้ว่าจะพูดไปแต่ก็ไม่ลืมตัวก็ก็โอเคแล้วไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะไปรู้อะไรเขานะไม่ใช่แต่ว่ายกตัวอย่างเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจร่วมกันเพราะว่าในชีวิต ประจำวันจริงๆอ่ะมันมีหลงลืมบ่อยมากเลยหลวงพ่อยกตัวอย่างนะที่เห็นได้ง่ายเอ๋อสมมติว่าเราขับรถเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุยมลองมนโนไปตามนะคิดตามมาเนาะพอเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็เพ่งจ้องไปใช่ไหมไปที่เหตุการณ์แล้วก็บ่นพูดเฮ้ยมันเป็นอะไรวะรถชนกันตายไหมวะเห็นไหมเรา่กําลังพูดเรื่องเหตุการณ์ผู้พูดอผู้พูดผูดดด้คิดผูด้นึกผู้มีอารมณ์ต่างๆจริงๆอ่ะมันอยู่ในในขันอยู่ในตัวนี้ แต่ว่ากําลังหลงไปมองไปดูแล้วก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองกําลังพูดหรือว่าตัวเองกําลังเกิดภาวะทางจิตใจเป็นยังไงเช่นหดหูเศร้าหมองหรือน่าสงสารจริงๆอาการเหล่านี้มันอยู่ในตัวเราหมดเลยแต่ลืมไปที่มันลืมเพราะอะไรไม่ชํานาญในการรู้สึกตัวเพราะว่าฝึกมาน้อยก็เลยส่งจิตออกนอกรู้แต่ข้างนอกรู้ไปหมดเลยพูดหยาวเหยียดสุดท้ายก็ ไม่รู้ตัวเนี่ยในถ้าเห็นอย่างนี้คือเชีย่ยเห็นว่าคนที่ไม่ฝึกสติเนี่ยเขารู้ตัวเองไม่ได้เลยแต่เขารู้ทุกเรื่องเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอนึกออกใช่ไหมแม้กระทั่งนักปฏิบัติอย่างนี้เหอะเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าหลวงพ่อกําลังนั่งเทศอยู่นะกําลังคุยเนี่ยโยมก็ตั้งใจฟังพออะไรหล่นมาเปี้ยงปังเปี้ยงปังทุกคนหันหมดเลยหันไปดูหันไปฟังลืมหลวงพ่อไปหมดคือลืมฟังแล้วก็ลืมตัวเองด้วยว่าตัวเองกําลังหันกําลังอะไรตัวเองกําลังพูดกำลังบ่นลืมหมดเลยนึกออกไหม ตรงนี้ไงที่เราคุยกันตรงนี้คือหมายความว่าชี้ให้เห็นว่าขาดสติเวลาลืมตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรานึกขึ้นได้ขึ้นมามันสติมันเร็วน่ะมันจะรู้ตัวเองหมดเลยว่าเออตัวเองกำลังพูดกําลังรู้สึกยังไงแต่ก็พูดไปแต่ก็มันรับรู้ได้เป็นคือเหมือนกับ ว, ว่ามันรับรู้ได้พอที่จะไม่ลืมตัวเองนานอ่ะเออตรงเนี้ยเพราะงั้นเรื่องสติเป็นเรื่องต้องฝึกมากมากจริงๆถึงก็บอกว่าทุกระยบทเดินยืนนั่งนอนเนี่ยฝึกรู้ไปรู้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับฝึกรู้มากๆ แต่เบื้องต้นอ่ะมันก็แน่นอนทุกคนคือเอาตัวเราไปฝึกเนาะเอาตัวเราไปฝึกจนกระทั่งหน้าดําข้มเคียดแต่คนที่เมื่อฝึกมากๆเข้าแล้วเนี่ยมันเริ่มปล่อยวางแล้วมันเข้าใจแล้วว่าไม่มีตัวเราเป็นผู้ฝึกแต่การเดินการนั่งยังมีเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เรานั่งก็เลยเดินได้ทั้งวันยิ่งไม่มีตัวเรามันก็มันก็เข้าใจเรื่องขันห้างไงเวลามันเมื่อยมันปวดก็คือขันห้ามันปวดแล้วก็อันนี้หลวงพ่อพูดรวมๆเนาะ คือขาน้ามันเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันเมื่อยก็เมื่อยของมันไปแต่จิตรู้มันมีไงรู้ว่าอเดินก็รู้เมื่อยก็รู้นอนก็รู้เอ้ยยังไงง่วงเหงาเมันก็รู้ตรงเนี้มันมาอยู่ฝากรู้แล้วก็คือรู้เรื่อยไปแต่ก็ไม่ยึดถือแล้วไม่เอามาแล้วมันเป็นลําดับอย่างนี้เพราะงั้นที่คุยกันตรงนี้ก็คือชี้บอกกันะอ่าคนไหนที่ยังไม่เห็นก็อาจจะได้ยินได้ฟังแล้วก็ต่อไปก็อาจจะเห็นมากขึ้นชัดขึ้น แล้วเป้าหมายสูงสุดเพื่อการพ้นทุกข์คือไม่มีตัวเราไม่มีตัวเรานะปฏิบัติจนเห็นแจ้งจริงๆว่ามีแต่ขันห้ามีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับไม่มีเราเมื่อเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไม่มีเรามันก็เข้าใจถึงว่าไอ้ที่เกิดมาก็ไม่ใช่เราเกิดเนาะไม่ดวงเนาะขันห้ามันเกิดเกิดจากดินน้ำลมไฟผสมกันดินก็ไม่ใช่เราน้ำก็ไม่ใช่เราไฟก็ไม่ใช่เราอากาศก็ไม่ใช่เราวิญญาณธาตุก็ไม่ใช่เราเห็นไหมไม่มีเรา แล้วเวลามันดับมันแตกก็คือเป็นพวกนี้มันแตกสลายมันก็เปลี่ยนไปไม่มีเราถ้าเข้าใจถูกอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอันชอบที่ถูกต้องจริงๆมันสามารถจบได้ในชาติปัจจุบันนี้ในปัจจุบันชาตินี้เลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าใจได้แจ่มแจ่มแจ้งนะไม่สงสัยเลยนะแจ่มแจ้งจริงๆเนี่ยมันก็พ้นทุกข์แล้วตอนเนี้แล้วก็ไม่หลงกลับไปหลงผิดอีกมันก็คือหลุดเลยพ้นเลยปัญญานี่แหละสุดยอด ปัญญานี่ไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้แรงที่จะไปอะไรหมดมันเป็นปัญญาคือเบาหิวเป็นความเข้าใจแต่ทีนี้ตรงนี้ต้องสะสมนะอ่านี่ก็ฝากไว้ก่อนจบก็คือว่าพวกเราทั้งฟังธรรมฟังเพื่อให้เกิดปัญญาสุดตาปัญญาคือเบื้องต้นแล้วก็ระหว่างฟังธรรมอย่าเม่อเพ้อเพลินอย่าใจลอยยิ่งคนทําไม่มีนิวรณ์มารบกวนเนี่ยหูพึงเลยตั้งใจฟัง โอ้เขาพูดตัวอย่างเขายกตัวอย่างเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจมันเห็นตามไงพอเริ่มเข้าใจปับ๊บมันก็มีความสุขมันเบิกบานมันรู้สึกอุ้ยเนี่ยมันไม่ง่วงแล้วนิวรนก็ไม่รบกวนแล้วก็เจ่มแจ้งพอเจ่มแจ้ ง, จงเสร็จแล้วเอาความเข้าใจเนี้ยมาปฏิบัติจริงตามเหตุการณ์ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในกายใ น, ในใจของตนนั่นแหละรู้เห็นแล้วก็บวกกับสติปัญญาที่ได้สดับมาอย่างเนี้ย สอดแทรกเข้าไปเห็นตามขึ้นมาเออที่มันเกิดมันไม่ใช่เราเนาะโอ้มันเป็นสิ่งเกิดดับเออมันเป็นสังขารเนี่ยโยนิโสมาณสิการบวกเขาแทรกแทรกเข้าไปอย่างเนี้ยเร็วแต่ถ้าเราไม่เห็นเหมือนกับว่าไม่เห็นคุณค่าของการเรียนแบบเนี้ยบางคนก็เนือเนื้นนนอเฉอยเฉยก็นั่งปิดตาแล้วก็หลับปุ๊บหลับปุ๊บปัญญามาัน ม, มาจากไหนะไม่มีได้แต่อาจจะเรียกว่าเออรู้สึกทุกข์น้อยลงทําไมมันน้อยลงเพราะว่านั่งไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุกไม่รู้อะไรสักอย่างหนึง่งมันก็รู้สึกว่ามันไม่ทุกข์สิแต่แบบนี้มันไม่ใช่หนทางมันเป็นแค่แบบหลบหลับอะไรเงี้ยไม่เป็นผู้ตื่นเพราะฉะนั้นจริงๆต้องปฏิบัติเป็นผู้ตื่นตื่นรู้ร่างกายมันเป็นยังไงรู้ใช่ไหมอาการยังไงที่เกิดขึ้นรู้อย่างเดียวตรงนี้เจริญปัญญาได้เร็วแล้วก็สามารถหลวงพ่อว่าไปแล้วนะถ้าเพียรถึงขนาดเนี้องค์ธรรมทั้งหลายเนี่ยมันรวมอยู่แล้วมันรวมหมดแหละภาละหก็รวม อะไรล่พอดชงเจ็ดมันก็รวมอยู่ในขณนะตรงที่ทำอย่างนั้นนั่นแหละแล้วมันก็เป็นเข้าใจถูกต้องเพราะนั้นฝากไว้เลยเราปฏิบัติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจให้พึงว่านั่นแหละอันนั้นะมันเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำให้เกิดสติทำให้เกิดการรับรู้ขึ้นมาเมื่อรู้แล้วเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วสุดท้ายมันก็ได้แต่รู้แต่ไม่เอาไม่ยึด ตรงนี้แหละเป็นความหลุดตนหลุดพ้นตรงที่รู้แล้วแต่ก็ไม่ยึดนั่นแหละคือเป้าหมายมันอยู่ที่ตรงนั้นเนาะบางทีอาจจะเปลี่ยนทัศนคตินิดหนึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้ตรงนี้เนาะปฏิบัติเพื่อจะเอาเพื่อจะเอาพระพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อปล่อยวางเพราะฉะนั้นถ้าเคยเข้าใจผิดก็ทําความเข้าใจถูกเสียใหม่นะถ้ามันหมดแรงเกินไปก็พักผ่อนก็คืออาจจะอยู่ในอาการที่แบบพักผ่อนก็คือหยุด หยุดการทำความเข้าใจหยุดอะไรเขาเรียกว่าหยุดพักอ่าหยุดพักก็คือนั่งตื่นรู้เป็นปกติคือคลายอะคลายคลายอ่าพอสักพักนึงเดี๋ยวมันก็มีกำลังพอมีกำลังเดี๋ยวมันก็จะพิจารณาเนกเดินปัญญาต่อให้สลับกันแบบนี้นะอันนี้ก็พูดโดยรวมนะอ่าแล้วก็ขวากไว้ก็คือขยันเนาะขยันรู้เดินเดินนั่งนอนนะตื่นตัวเนาะ อย่าเมือเพลินนานเกินเอาหลักธรรมที่ได้ยินได้ฟังรวมถึงได้ยินกูบาอาจารย์อื่นๆที่ท่านสอนเนี่ยเอามาใช้จริงแล้วก็อย่างน้อยทุกก็จะน้อยลงน้อยลงทุ ก, ก็มันยังมีอยู่แหละความเจ็บความปวดความเมื่อยอาจจะมีเท่าเดิมหรือมากกว่าแต่ด้วยสติปัญญามันไม่ยึดถือก็ทําให้ทุกทางใจน้อยลงน้อยลงปัญญาแจม่มแจ้งเมื่อไหร่ก็คือพ้นทุกข์ไปเลยเนาะก็ขวากไว้นะวันนี้ก็สมควรกับเวลาเท่านี้เนาะ อ๋อเดี๋ยวกลับมาพร้อมกัน